นาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตรคือ478หนึ่งภิกษุรู้อยู่ว่าสงฆ์รมกรรมไม่ชอบทมแยกกันทมหรือทมแก่ภิกษุผู้ไม่ควรแก่กรรมจึงตีเตียน 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุ ต, ต้นบัญญัติกรรมะปฏิภาณะสิกขาบทที่9จบ